บัรนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยะต่างๆนั้นอันจริงแล้วเพื่อให้สดครองกับพื้นฐานจริตอัจฉริยาใสของคนที่ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อคนได้ลงมือประพฤติปฏิบัติถูกตรงตามที่ทรงแสดงไว้ก็จะได้สัมผัสผลในลักษณะอย่างเดียวกันแต่ว่าการสร้างเหตุอยู่ในระดับเดียวกันผลก็จะเกิดขึ้นในระดับเดียวกันผลความเหมือนกันของผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม ที่ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานจริงๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเ่ากนับจากพระโสดาบันขึ้นไปแต่จริงแล้วคนสังเกตว่าผลของสมาธิที่คนอาจจะเริ่มจับจุดใดก็ได้อารมณ์ใดก็ได้ก็เลือกให้เป็นที่สบายแก่ตัวเองแต่เมื่อใจส ง, งบ มันก็สงบลักษณะอย่างเดียวกันและสิ่งที่ถูกสงบไปจากใจก็เป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าจะสงบได้มากหรือสงบได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับของสมาธิหรือของฌานที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของ บ, บุคคลเันปริยายกรธรรมะแม้จะมีความหลากหลายออกไปแต่เป็นข้อแสดงที่ เพื่อเกิดประโยชน์คือกูลเพื่อความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นประการสำคัญในส่วนของกิเลสนั้นแมจะกล่าวออกไปกับแน่แ ก, แก้แก้ออกไปได้มากมายแต่มีลักษณะเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่สืบสามาจากอาวิชชาซึ่งเป็นรากใหญ่ของกิเลส โดยพวกนี้ก็แตกกิ่นการสาขาออกลไปแต่เรียกว่าอกุศลนมูลคือรากง้าของความชั่วคือมีอยู่เพียงสามประการที่เราพูดว่าโรคกรดหลงการเรียงลําดับเป็นโรคกรดหลงนั้นเป็นการเรียงตามลักษณะของอารมณ์คนประการหนึ่งเป็นการเรียงตามลําดับที่เราจะต้องลดละประการหนึ่ง ผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าชีวิตของสามัญชนในระดับการมาวัจจุรมู่จะมีปัญหาในเรื่องของความโลภความรักที่เราพูดว่าการกินเกียดหรือว่ากามกินนอนจะหมุนวนมีการสวบางาน ม, มีการต่อสู้มีการยื้อแย่งกันในเรื่องเหล่านี้ จนกลายเป็นสูตรที่เราพูดกันว่าฤทธิ์ทะเ ล, ล, ลกกาะกันเพราะกามก็เรื่องของผลประโยชน์การทะเลาะวิวาทในสังคมมนุษย์ไม่ว่าตั้งแต่ยุคใดสมัยใดมาปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะวิวาทก็คือพวกวัตถุกลางทั้งหลายแะเหตุที่เกิดการทะเลาะวิวาสก็คือกิเลสทั้งหลาย นอกแกสิ่งทั้งสองประการนี้จะไม่มีการทะเลาะ ก, กันแล้วถ้าเรามองสืบสาวในงแง่ของความเป็นมาในด้านปราชศาสตร์ของมนุษยชาติที่รุนแรงมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของสติเพศ ก, ก็ต่อสู้ไปยื้อแย่งสิ่งเหล่านี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไปสิ่งเหล่านี้เองผู้สนาผู้รวมรวมมาวัตถุกาคือวัตถุที่ใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในเมื่อวัตถุมันมีจากัดความปรารถนาของคนมีไม่จำกัดแต่คนที่ปรารถนาก็มีอยู่มากจึงจำเป็นจะต้องมีการแยกๆกันเพราะความอยากมันไม่มีขีดขั้นเขตแดนว่าเท่านั้นเท่านี้นเท่านานน ต่างคนต่างรู้สึกว่าตัวเองอยากได้น้อยไปอยากได้เพิ่มขึ้นแต่วัตถุเหล่านั้นมีจำกัดต่างคนต่างอยากได้มากที่สุดก็จะยื้อแย่งกันก็จะเห็นอาการของโลภะที่แรงแล้วก็กลายเป็นโธสะที่แรงซึ่งจุดหนึ่งคนก็ขา้ามหันต่อสู้กันจะถามว่าต่อสู้กันทำไมเพื่อยื้อแย่งวัตถุเหล่านั้น แล้วทำไมต้องทำลายกันเพราะว่าคนนั้นต้องการยื้แย่งวัตถุ ก, กระตนุนอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการเขาโทรสะและในขณะเดียวกันปริมาณของความหลงก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพราะในจุดนี้เองเปสังเกตว่าถ้าบุคคลเริ่มมีปัญญาพิจารณามองดูกันจริงๆพวัตถุกามทั้งหลายนั้นเป็นสมบัติติดโลกเป็นสมบัติของโลก พระเจ้าใช้คำอย่างหนึ่งว่าโล ก, กีทรัพ์คือทรัพ์ในโลกหรือทรั์ของโลกหรือทรั์ที่มีอยู่กับโลกหรือมีอยู่คู่โลกก็ <S <s เราเกิดมาในโลกแล้วสามารถใช้ความรู้ความสามารถความเพียรพยายามกอตนแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาบริโภคใช้สอยตมามกำลังความสามารถของตนอาจจะมากข้างร่ารวยอะไรก็ได้ แต่ยิ่งดิงแล้วจะเป็นเรื่องเฉพาะช่วงสั้นๆในขณะที่ชีวิตเรามีอยู่เท่านั้นเด็กพาตาจะไปทุกอย่างก็จบกันต้องทิ้งไว้ในโลกก็เป็นสบัดของโลกต่อไปในจุดนี้เราสังเกตว่าระดับศีลธรรมจัญญาพระพุทธเจ้าไม่ถึงก็สอนไม่ให้คนสแสบงหาแต่ทรงสอนให้สแสบงหาในทางที่ชอบทำ อย่าถึงกระทำชั่วเพื่อครอบครองสมบัติของโลกกันเพราะเราจะอยู่ครอบครองเขาไม่ได้ตลอดไปสิ่งเหล่านั้นเองจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสาธารณะแก็บใครทั้งหลายมีโจรภัยอคีภัยพวกโจรภั ย, ยพวกอันตรายต่างๆจากญาติมิตรที่จากภาวะธรรมชาติเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นจะต้องพีนาศไปพระวีพัยอยู่รอบตัว แม้แต่จะไม่พินาศไปก็เปลี่ยนแปลงไปเก่าชราคล่ำคราบไปถึงจุดหนึ่งเองเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปในดับสินธรรมจัน ญ, ญาจึงพูดเรื่องการแสวงหาการครอบครองและการใช้สอยให้เกิดประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นทำยังไงว่าทั้งสมขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนการแสวงหาก็ขอให้แสวงหาในทางที่ชอบทำ ที่ทรงใช้คําว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการทําการงานที่ปราศจากโทษให้ความรับในการแสวงหาวัตถุสิ่งของมาตอบสนองความต้องการของตอนนั้นทํำยังไงอย่าทำชั่วอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดจริยธรรและในการถือครองในการครอบครองประทรงใช้ในแนวของการมีปัญญาคือไม่ถึงกับไปเก็บไว้ทั้งหมด หรือว่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดอจ่าที่ทรงสอนให้จำแนกทรัพย์สมบัติเหล่านั้นออกไปเป็น4ี่ส่วนสองส่วนก็เอาเป็นทุนในการประกอบธุรกิจต่อไปหนึ่งส่วนบริโภคใช้สอยภายในครอบครัวแล้วก็หนึ่งส่วนเก็บออกมาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นสมบัติติดโลกเนี่ย แต่คนสามารถอาศัยเขาเปลี่ยนเครื่องมือในการทำตนให้หลุดพ้นจากโลกตลอดถึงมีโลกที่ประนีตขึ้นมันจึงมีคำสอนในสองระดับนั้นก็คือระดับที่เรียกว่าเป็นสุขประโยชน์ต่างๆที่สร้างมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติก็จะสอนในรูปของการทานการเสียสละ ไปการส่งเครอะนุเคราะห์ในแวดวงครอบครัวของตัวเองออกไปได้ตามกาลังความสามารถที่ตนจะกระทาได้แต่ว่าต้องคำหนึงถึงศรัทธาคำหนึงถึงกำลังทรัพย์กอกำลังศรัทธาเรามีไหมถ้ามีมากกาลังทรัพย์เรามีไหมจะต้องรู้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ถึงกับไปกูน่ยืมสินคนอื่นมาทำคุณแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับเก็บ อ, อมเอาไว้ทั้งปวงโดยไม่ยอมสละเจือจานอะไรแก่ใครเส้น ท, ทางการปฏิบัติจึงอยู่ในจุดที่เรียกว่าตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเป็นการระลึกเบียดตตนเองและบุคคลอื่นลักษณะเหล่านี้อาศัยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติติดโลกให้เป็นสมบัติติดตัวนั้นก็คือแปลงทรัพย์นั้นเป็นบุญ เมื่อเป็นบุญก็จะติดอยู่ที่ใจคนเราไปไหนเราก็มีบุญติดตัวไปด้วยจากโลกนี้ไปก็ด้วยบุญที่ติดใจไปย า, านิสงส์จะแน่แสดงไว้โดยนิยามต่างๆเห็นว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นวันหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จมาจากใจถ้าใจคิดดีแล้วจะทําก็ตามจะพูดก็ตามหรือแม้จะคิดก็ตาม ก็จะกลายเป็นสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจตามสมขว น, นเก่ฑ์กรณีเมื่อเป็นสุดจริตก็เป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วบุญนั้นก็จะติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามเราไปเรานั่งเงานั่งเรายืนก็หยืนเราเดินเราเดินเราจากโลกนี้ไปเงาก็จากตามไปด้วยแต่แน่นอนบางครั้งเราก็ไม่เห็นเงา เราสังเกตว่าตอนที่เราไม่เห็นเงานั้นคือตอนที่เราอยู่ในที่มืดแสดงว่าภูมิธรรมสติปัญญาภายในใจของเราที่มีความบกพร่องไม่สามารถจะมองเชื่อมโยงระหว่างผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราข้าไปหาเหตุซึ่งเป็นการกระทาของเราจะทให้คนดิ้นรนสแสวงหาหาคาตอบจากโหราศาสตร์การสะดกเคราะห์การรงเจ้าข้าพีอะไรต่าง นั้นแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้เห็นตามความจริงว่าผลทั้งหลายนั้นมันเกิดมาจากเหตุเมผลเมื่อเกิดที่เราก็แสดงว่าเหตุมันก็มาจากเราปีนในเหตุนั้นอาจจะนานไปหน่อยอาจจะทำมาหลายปีแล้วหรือแม้บางครั้งบางคล่าวเหตุบางเรื่องผลบางเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากเหตุหลายรายชาติแล้วแต่แต่คนที่มีภูมิธรรมอิสติปัญญามากพอ ก็สามารถจะเชื่อมโยงผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนว่ามันมา จ, จากเหตุจะในคราวที่พระสาวกทั้งหลายรับแต่งตั้งในตาแหน่งต่างๆที่เรียกอตทะคะคือเป็นยอดของภิกษุในสายนั้นๆกระสังยกจ่องปัญญากนทัญยะว่าเป็นปฐมสาวก ค, คือเป็นสาวกท่านแรก ก็เป็นภูรัตัญยูคือรู้าตีนานหมความเป็นผู้เท่าก็ทำให้พิสูจทั้งหลายสงสัยว่าทำไมไม่ยกจ้องให้เป็นอัครสาวกทูตเจ้าก็ทรงแสดงว่าเป็นความปรารถนาของเธอที่เธอตั้งความปรารถนาไว้ว่าต้องการเป็นอย่างนั้นแล้วเธอเธอก็ได้อย่างที่เธอต้องการจะเป็น หรือบางครั้งปัญหาที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเชิงกา ร, รยัจฉะกุลบุตรสามารถมองเห็นสาสนมกำนันภายในวงังกลายเป็นซากศพไปทั้งหมดดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นได้ในลักษณะนั้นพระเจ้าก็ทรงเชื่อมโยงให้ดูว่าที่จริงมันเป็นไปได้สําหรับบางคนแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้ เพราะไรพระอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของผลซึ่งเกิดมาจากเหตุที่มีการสะสมไว้ในจิตสันดานของท่านเป็นเวลานานโดยการเจริญกรรมาฐานประเภทอสุภกรรมฐานมานานเก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานของท่านจงมีกำลังแก่กล้ามากพอแล้วก็มองเห็นได้สมบัตท่าน แมรพุทธเจ้าพองเราในสมัยที่เป็นเจ้าชายศิษฐะยังไม่ได้สัตยรุก็มองเห็นได้อย่างนั้นหรือการที่ท่านเจริญกรรมาฐานประเภทที่เรียกว่าอติกะสัญญาคือมองเรื่องกระดูกพิจารณาเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกสมรท่านก็สามารถมองคนโดยไม่เห็นเพศได้คือไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นได้ร่างกระดูก เตือนเื่องวนั่นเป็นผลซึ่งมาเกิดขึ้นจากเหตุที่มีการกระทําต่อเนื่องยาวนานสร้างเป็นบารมีอย่างหนึ่งแล้วเป็นความพยายามในปัจจุบันอย่างหนึ่งท่านทั้งก็เห็นได้เพราะปัญญาท่านพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นเพราะฉะตรงนี้ถ้าพอปัญญามันเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งของวัตถุสิ่งของและของตัวเราเอง แล้วอย่างนั้นตกอยู่ในกระบวนการของเกิดแก่ตายอย่างที่เราสูดเกตจริงเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เสื่อมไปเราเองก็เกิดแก่ตายมันไม่มีอะไรที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นเองก็หาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้และเราเองก็หาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้พ้นความคิดจากจุดนี้บางที ถ้ามีความเข้มข้นมากพอมีกําลังมากพอมันก็ไม่อยู่เฉพาะจุดที่เรียกว่าเป็นสวรรค์พราะเป็นสวรรค์ที่จริงมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ว่าทิ้งช่วงนานหน่อยเท่านั้นเองพระบาทไรที่ยังเป็นสังขารอยู่ก็ต้องตกอยู่ในกฎเหล่านี้คือ เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้ว เ, เกิดแก่ตายเพียงแต่ว่าแก่ช้าหน่อยตายช้าหน่อยพระธาตน้อยหน่อย แต่นั่นก็คือแก่คือตายคือการ พ, พรัดพระกเพราะใจใจที่มองเห็นความไม่จรังจังยืนของวัตถุสิ่งของแล้วของตัวเราเอง mm hmm. ก็จะก่อให้เกิดการเบื่อนหน่ายคลายกำหนักในการเก็บการสะสมที่เราพูดในลักษณะมันมันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ที่เราปราศาททรายก็ดีวิมานเมฆก็ดีหรือว่าปราศาสน้ำแข็งก็ดีอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงอนิจจตาคือความไม่เที่ยงวิมานเมฆแล้วมันจะเลือนลอยเร็วคือไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรจะเป็นอยู่ได้ก็นิดเดียวนหน่อยถึการมองให้เห็นว่าสังขารทังหลายนั้นที่เกาะกลุ่มกันแล้วก็เสื่อมสลายไปแบบเมฆที่เกาะกลุ่มกันเป็นรูปปร า, าสาท ทที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปปราสาทหรือว่าเอาน้ำแข็งมาสร้างเป็นรูปปราสาทหรือสร้างเป็นอะไรก็ตามในสุดมันก็เสื่อมสลายไปไอ้ความโลภ ก, การไขว้คว้านนี่จะจางลงจางลงเพราะมองเห็นเรื่องความจริงของวัตถุกรามเหล่านั้นจะ พ, พบว่าในจุดแรกมันจะควบคุมให้อยู่ในการแสวงหาที่เป็นธรรมการถือครองที่ไม่ ย, ยึดมั่นถือมั่นเกินไป แล้วก็พยานที่จะหาประโยชน์จากวัตถุกรรมเหล่านั้นวัตถุกรรมเหล่านั้นแทนที่จะเป็นนายคนคนก็เป็นนายของวัตถุกรรมบังคับใช้ให้ตอบสนองความต้องการของโตนในทางที่จะแต่ละผลประโยชน์ในช่วงยาว ก, กว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของสวนสมบัติแต่ละาจิตใจก็ประณนี่ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า จะให้ความสํางการแก่สิ่งเหล่านี้น้อยแต่จะให้ความสําคัญแก่ความสงบความเยือกเย็นความสุขที่จิตสัมผัสได้นี่มากกว่าถึงความคิดเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะตัดสินด้วยพื้นฐานของคนแต่ละคนมาตัดสินไม่ได้เพราะอะไรก็ตามปกติแล้วคนจะไปให้ความสําคัญแก่สิ่งซึ่งเป็นปัจจัยให้ตนรู้สึกว่ามีความสุข จะได้ได้กินอย่างนี้จะนอนอย่างนี้ได้ไปอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ก็จะเป็นสุขซึ่งว่าการตามความจริงแล้วเนี่ยสุขมันก็น้อยแต่ทุกมันมากกว่าพระศาสนาไม่ได้ปฏิเสธแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าความสุขมันน้อยแต่ความทุกข์มันมากมาเทียบเปอร์เซ็นต์กันแล้วความสุขก็ น, นิดเดียวแต่ความทุกข์นั้นมากกว่าได้เกิดทีนี้บกิเลส ต, ตรงนี้มันจาง สแสดงว่าโลภะจางโมหะจางท่านสาธาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าไอ้โลภกะกับโทสะเนี่ยมันอยู่าาคนโลกฟากที่เราเรียกว่ารักมากแค้นมากก็ทําไมคนที่เรารักถึงกลายเป็นคนที่เราแค้นแล้วคนคนเดียวกันแต่ว่าเป็นความรู้สึกกันคนละขณะกันเพราะอะไรเพราะความรักนั้นมุ่งที่จะปลนปลื้ความรู้สึกของเราเอง ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นหมายความว่าคนนั้นต้องอยู่ในควบคุมของเราตลอดแล้วจะดีมากๆก็จะรักมากๆแต่จริงแล้วเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็เกิดโทสะแล้วโทสะมันจะแรงตามแรงเบี่ยงของโลภะลักษณะใล้ายๆกับเราตะโกนในค่ำมาในภูเขามันจะ พรอนกลับมาพอๆกับเสียงที่เราตะโกนไปพอลักษณะนี้ก็ตีกลับไปกลับมาคือแหวงไปแกวงมาระหว่างโลภะกับโทสะพรานทุกจุดที่มีโลภะที่จริงโทสะก็แอ บ, บอยู่ข้างหลังให้เราสังเกตรเราอยากได้สิ่งนี้แต่เราได้ตามที่เราต้องการถามาพอและยังโอยังไม่พอก็ อ, อยากได้ต่อนั่นคืออาการของโลภะที่ก็คืบต่อไปคืบ โลภะนั้นจะเพิ่มโลภะและในขณะเดียวกันนพร้อมที่จะเพิ่มโทสะเพราะในจุดนี้ถ้าหากว่าคนมาเกิดขัดขวางคนไม่ให้หรือขัดขวางการได้ของเราหรือการอยากได้ของเราคือบางทีที่จริงมันเป็นเฉพาะความอยากมันยังไม่ได้ได้อะไรแต่ใจนี่มันเอื้อมไปไกลจนถึงกลายเป็นการได้ แต่ทำให้คนบางคนเนี่ยแม้จะวางแผนคุยกันเพื่อได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแล้วก็บังคุยกันที่จริงมันเป็นมันเป็นความคิดเฉยๆแล้วก็ทะเลาะกันได้แล้วสแสดงว่าใจมันเอื้อมไกลเกินไปกลายเป็นมีสิ่งของแล้วและกลายเป็นจืดแย่งสิ่งของหรถนั้นกันแล้วตองนั้นจริงๆแล้วเป็นเฉพาะการพูดกันที่เกิดขึ้นมาจากความคิดในขณะนั้นๆเท่านั้นเอง แสดงเห็นว่าอะไรแสดงเห็นว่าโมหะมันเพิ่มขึ้นแยอเหมือนกันโทสะคือความไม่ชอบเพิ่มขึ้นเพราะในจุดนี้จะเห็นว่าโทสะนั้นตามปกติแล้วถ้าคนไม่เพี้ยนจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดที่คนนั้นเองโทสะจะเกิดที่คนแล้วคนนั้นจะเป็นคนที่เรากำหนดว่าไม่ชอบ การไม่ชอบนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาโดยเฉพาะเรียกเป็นความรู้สึกส่วนตัวคือไม่ชอบไม่ชอบหน้าคนดีไปเฉยมันดีเปนเรื่องผลประโยชน์พิกัดแยงกันที่จริงคนน่ะไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาที่มาขัดแย้งกันที่ผลประโยชน์ผลประโยชน์นั้นเราต้องการได้ด้วยแล้วเขาก็ต้องการได้เราก็ไม่ต้องการจะให้เขาไม่ยอมเราก็โกรธเขาโกรธเขาที่ไม่ให้เราแต่นั้นเอง กิเลสรู้สึกตลกมากๆเพราะนั้นหลายเราสังเกตเป็นเรื่องตลกมากๆเป็นเรื่องไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่มีเหตุมีผลในการใไขควดในการตัดสินความถูกความผิดแต่ประการใดเอาตัวเองเป็นฐานตลอดใครทำให้ตัวเองไม่ชอบตัวเองก็โกรธใครทำให้ตัวเองชอบตัวเองก็รักแล้วคนเหล่านั้นแหละถ้าก็เปลี่ยนการกระทาของเขาเราก็เปลี่ยนความรู้สึกคนที่เคยทำให้เราชอบ เขาไม่ให้ในสิ่งที่เราอยากได้เราโกรธคนที่เคยทำให้เราไม่ชอบแต่เขาเกิดให้ในสิ่งที่เราอยากได้เราชอบเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงว่าปนปรือตัวเองตลอดลักษณะของกิเลสสังเกตง่ายว่าเป็นการปนปรือตัวเองอย่างที่ท่านพูดง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวนี่ถือว่าเป็นคำที่ง่ายที่สุดใช้คำว่าเห็นแก่ตัวเพราะอะไรเพราะว่า เขาทําของเขาบอดีเราไม่ชอบเราก็โกรธแล้วบางทีโกรธเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรคือเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราไปคิดเอาเองแล้วเราก็โกรธเขาเพราะความโกรธบางครั้งจึงออกมาแม้แต่แมวร้องเสียงดังเราก็โกรธมา้าเขาหอนเราก็โกรธแสดงอะไรแสดงว่าเอาแต่ใจตัวเองมากเห็นแกตัวเองมากโดยลือไว้ว่ามันธรรมชาติของเขา ถ้าหมาไม่เห่าไม่หอยมันก็ไม่ใช่หมาแล้วแมวไม่ร้อนไม่โถนไม่ร้องไม่โถนมันก็ไม่ใช่แมวแล้วก็แสดงว่าต้องไม่มีแมวไม่มีหมาอย่างในที่นั้นไอ้เสียงเหล่านั้นลักษณะหลนั้นจึงไม่มีแต่เมื่อมีก็ต้องเรายอมรับว่ามันสืบ เ, เนื่องกันแต่แต่ก็มีแมวมีหมาอยู่เสียงเหล่านั้นก็ธรรมาดาลักษณะของตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นทั้งโทสะแล้วก็เป็นทั้งโมฆะ โทสะ ก, ก็คือโกรธแม้แต่แมแม้แต่หมาบางทีโกรธลมพัดด้วยฝนตกแดดออกเราจะเห็นว่าบางทีเราก็ด่าฝนด่าแดาดด่าลมไปเรื่อยๆมายความอย่างไรหมายความมโทสะนั้นมีโมหะอยู่มากบางทีเราเราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้มองนะว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้ที่จริงเป็นอาการบางกทีบางทีเราไปดูมวยที่มันต่อยกันที่ที่ไหนก็นไม่รู้ที่เวทีแล้วก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ นั่งเชียร์กันยกแขผงยกเขายกขาเชียร์อย่างนั้นเชียร์อย่างนี้แล้วก็พูดกระแสนิเฉยไม่ได้คิดว่าโทรทัศน์ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เราพูดคล้ายๆก็เราได้ยินคล้ายๆก็เราพูดไปมวยที่ต่อกันในหน้าจอโทรทัศน์จะรู้เรื่องนั่นก็คือลักษณะของโมหะแล้ว เ, เกิดโลภเกิดโทสะขึ้นมา เพราะงั้นตามปกติแล้วเนี่ยทายังไงว่าคุมโทสะเอาไว้อย่าให้ถึงก็จุดโกรธแม้แต่แดดออกก็โกรธฝนตกก็โกรธลมพัดก็โกรธน้ำท่วมก็โกรธน้ำฝนแรงก็โกรธเอกรธ้ี่ธรรมชาติหรืออย่าโกรธในสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่อย่าโกรธในวัตถุสิ่งของที่เขาวางทิ้งเอาไว้เขาวางของเอาไว้เราเดินสะดุดเราก็โกรธของที่เราสะดุด แทนที่จะทาหนีตัวเองไม่ทำหนีแต่ทำหนีสิ่งของแล้วนะไม่ได้ก็ไปโทษคนอื่นนั่นคือ ล, ลักษณะของโมหะที่มันมากไม่ได้มีเหตุผลอะไรเพราะที่จริงคราถ้าเราคิดได้ดีในะของมันวางอย่างนั้นก่อนที่เราจะสะดุดแล้วทาไมเราไม่ดูถ้าเราดูให้ดีเราก็ไม่ต้องสะดุดแล้วก็ลดลงมาให้อยู่ที่โปรดคน คือคุมลดความโกรธออกมาได้เลิกโกรธจะมีเหตุผลคือคนบางพวกก็ไม่ควรจะโกรธอ่ะนญาติผู้ใหญ่ช่นเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นคนบ้าเป็นคนเมาอะไรอะไรเนี่ยือยกเว้นได้มากๆครับเ้วจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้แต่ละจุดนั้นพึ่งสังเกตว่ามีปัญญาข้อกากับหมดไม้ยความยังไงไมาความตรงนั้นโมหะมันมันลดลงไป ความโลภเองก็ถูกควบคุมเอาไว้เพราะโมหะนั้นได้จึงภางหนึ่งก็คือปัญญาโมหะแปลว่าโง่หรือไม่รู้อีกภางหนึ่งก็ขอคือคือฉลาดก็คือรู้พอ ร, รู้แล้วมันกแก้ปัญหาได้ทดละบรรเทาปัญหาได้การปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่ามีธรรมะเรียกว่าปฏิบัติจนถึงจุดที่เราเรียกว่ามีธรรมะ หมายความธรรมะก็อยู่ภายในใจเราเป็นใจที่มีธรรมะเมื่อมีธรรมะอยู่ภายในใจก็พร้อมที่จะแสดงออกมาตึงความมีธรรมะพูดเป็นธรรมมีการกระทาที่เป็นธรรมแล้วก็จะยุติด้วยธรรมแม้จะเป็นเรื่องของระดับสังคมระดับจริยธรรมจัญญาระดับครอบครัว แต่นั้นก็คือการสะท้อนความดีงามออกมาแสดงเห็นว่าอำนาจของความโลภความโกรธซึ่งมักจะเผือกเสือกสายผลักสายเราให้ไปตามกำลังของเขาก็ถูกควบคุมเอาไว้ด้วยการใช้ปัญญาพินิจพิจรารณาเลักะเราทที่ใช้ในการปฏิบัติ บันทึกเกตว่าพระเจ้าจะใช้คำสามคำทุกคนทุกแห่งเราอาจจะรู้สึกซ้ำแต่ทำไมจึงซ้าที่จริงมนุษย์มันก็ซ้ำทั้งสาชนมทั้งหลายลองสังเกตว่าตั้งแต่เราเกิดม า, าจนถึงเดียนนี้กิจวัตรประจําวันของเรามันก็คือคือกันทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจะนับแล้วก็เป็นหมื่นๆครั้ง ก็ถาซ้ำๆกินทซ้ำๆนอนซ้ำๆนั่งทซ้ำๆก็เป็นพฤติกรรมซ้ำ ๆ, ๆ, ๆกิเลสที่มันเกิดมันเกิดซ้ำๆโลคโกดลงอยู่เนี่ยะก็ไม่ไปจากไหนก็สืบเนื่องจากโรคโกดลงหรือตัวโลคโกดลงเองนี่คือแสดงว่าชีวิตนั้นมีเรื่องของความซ้ำๆซากๆเพิ่มเมื่อสิ่งเหล่านี้ซ้ำสิ่งที่แก้ของก็าต้องซ้ำก็แก้แล้วแก้อีก เมื่อสิ่งที่มีปัญหาคือโลภโกรธหลงซึ่งมันเกิดซ้ำๆซากๆไปในใจแต่มาที่จะแก้ก็คือทํายังไงจะลดโลภโกรธหลงลงไปยังทรงเน้นย้ําไปที่เรื่องของสติเรื่องของสัมปชัญญะและความเพี่ยนไปยามความเพี่ยนไปยามในการพัฒนาเสริมสร้างสติสัมปชัญญะด้วยแล้วก็รักษาโดยการใช้ด้วย แต่สตสัมปชัญญะที่ใช้ไปในกรณีของอารมณ์เวลากระทบอารมณ์มาทํายังไงจึงจะไม่เกิดความยินดียินร้ายมากเกินไปเพราะถ้ายังไงก็ตามถ้าไม่มากเกินไปเนี่ยปัญหามันจะไม่เคยมีที่มีตอนที่โลภมากเกินไปโกรธมากเกินไปก็แสดงโง่มากเกินไปถ้าอย่างนี้แล้วมีปัญหาทุกที ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบ ส, สุขต่อไป